بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه و م ص ط ف ا ه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين و ا ص ح ا ب ه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان مراسيب الصوم تأتي بعد لاو تي تي ل ا ن ا ناكلب. เราได้พูดถึง ข้อตกลงที่อรรถสุภานวตาอะไรได้ทําไว้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายข้อตกลงนี้นั่นไข่ที่ผู้ศรัทธาต้องทํำนี่ก็คือต้องถวายทั้งทรัพย์และชีวิตของตนเองเนี่ยให้อรรถสุภานวตาแหละทั้งสิ้นและสิ่งที่อรรถจะตอบแทนนั่นคือการตอบแทนด้วยส่วนสวรรค์และหลังจากอายาหนึ่ง้ออนั่นออรรถก็ได้พูดถึง ك ن ف و س ا س ن ي التائبون العابدون الحامدون ا ل س ا ئ ح ا ل ر ا ك ع و ن ساجدون ا ل آ م و ن بالمعروف ا ل ن ا ه و ن عن المنكر والحافظون لحدود الله و ب ش ر المؤمنين ت د ي و ن ل ا ل م عن ه ا م ا ح ن و ن الأل ักษ ناء من ف س ا ت ا ت ط ّ و و ن ح الأل ن من ف و ا ت ا و ن ح ن ك الأل من ف و س ا و ّ ا و م ا ك ن ا ل ن ا و س ت ّ ا و ن ا ل ن و ا ا كون ا ل و س ا ا ّ و ن ا ل ن ت و ن จากข้อตกลงที่อัลลอฮได้ทำไว้กับผู้ศรัทธาหมายถึงผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทนอันเป็นส่วนสวรรค์นั้นนะ่ะจะต้องถวายทั้งทรัพย์และชีวิตและต้องมีคุณสมบัติสิบประการนี้ด้วยก็มีสองทศนะของผู้อธิบายลกุรอานแต่ผมไม่ได้บอกกับพี่น้องว่าผมให้น้ำหนักความเห็นของผมแล้วก็อุลามาหลายท่านนะครับได้ให้น้าหนักว่า อ า, อายะนี้อายะหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในข้อตกลงของอายะหนึ่งหมายถึงว่าถ้าเราได้ถวายทรัพย์และชีวิตและไม่มีและเราได้ขาดคุณสมบัติประการหนึ่งประการใดในสิคุณสมบัตินี้ก็เป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่าที่อัลลอฮฺสุลฮานะวะตาเาจะตอบแทนเราด้วยส่วนสวรรค์แต่เช่นคนที่ ต่อสู้ในหนทางอัลลอ์แล้วก็เสียชีวิตในหนทางอัลลอ์เนี่ยแต่เคยทำสีหนาอันนี้ขาดคุณสมบัติวัลฮฟิซนลดูดิลลาต้องรักษาขอบเขตุดูดิลลาถ้าบุกร้องในการทำหน้าที่เรียกร้องสู่ความดีปราบปรามความชั่วอันนี้ขาดคุณสมบัติอะลารุนบิลมาโรฟีน้อันนมุกับและมีตัวบททั้งในกุรานแล้วก็ะดีซที่พูดถึงเรื่องการ ที่ Allah จะให้อภัยโทษแก่ผู้ที่เสียชีวิตในหาง a l ุ a h سبحانه แะ ت ع ا ل เช่นข้ดีสทธิ์ขนบีเดบกว่ายกฟารุลลิชฮีดีจากอวลดาฟคติดาหมินหรือคำว่าจะให้อภัยโทษแก่ شهيد ที่คนที่เสียชีวิตในสงครามรบผู้เนี่ยในเลือดหยดหยดแรกที่พุ่งออกมาเราสมวดเนี่ยพี่น้อง ที่กระซ่าเนี่ยก็ส้ำถูกยิงยอดแรกนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องทันจะไหลทั้งหมดนะยดแรกที่พุ่งออกมานะพนระเ ล, ล้าจะให้อภัยอภัยโทษกับความผิดระบับทั้งหมดหลนะือแสดงว่าเขาก็มีบาปทั้งดังนี่คุณนะสมบัตินี้แทบคือต้องเพอร์เฟที่สุดนะฉะนั้นอายะนี่นะ อ, อายะนี้อามัยควรควรเรียกว่า สมมูลอเราเรีกว่าลิลิสติเนฟคือเริ่มใหม่เริ่มคุณสมบัติใหม่ของบุคคลใหม่ซึ่งผมให้น้ำหนักว่าอันนี้เนี่ยคือคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของพลเมืองผู้ศรัทธาในเมืองมาดีนะเพื่อให้พวกมุนาฟิกีนพวกสับหลับกับขอกนั้นนะ่ะได้พิจารณาตัวเองว่ามีไหมคุณสมบัตินี้และให้ทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพิจารณาตัวเองว่าเนี่ย มีไหมพยายามทำไหมเรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของอายะห1 2นึ่งร้อสิบสองมากกว่าเพราะฉะนั้นในอายะนี้ <c oughs> ในอายะห1 2นึ่งร้สิบสองเนี่ยเป็นการจำแนกระหว่างคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่เราสุภานวาละพอพระทัยซึ่งผู้ศรัทธานี้ก็จะต้องอาศัยอยู่ ร่วมอยู่ในสังคมเดียวกันคือสังคมมุสลิมจะต้องมีเรื่องนี้และอย่างที่ได้เห็นว่ามันมีส่วนหนึงที่เป็นคุณสมบัติที่ทําโดยบุคคลเช่นแต่อิบูลอันนี้คนเดียวทําเองก็ได้อาลาบีดูนคนเองคนเดียวทําเองก็ได้ฮามิดูนทาคนเดียวก็ได้ซาฮูนทิซินุดรากิฮูนสซาฮิดูนแอ่ว่าสิ่งที่อัลอาหมูนั้นเป็นกิจกรรมร่วมอยู่ในสังคมเคยมีคนทำความผิด และเราต้องปราบปรามเขามีคนเขาอยู่เฉยๆไม่ทำความดีเราก็เชิญชวนให้เขามาทำความดีมันเป็นกิจกรรมร่วมวัลฮาฟิรูนลัลหะดูดิลละและการปกป้องรักษาขอบเขตของอัลลอสุฮานะนดังนัละก็คือบาปอันนี้ก็เช่นดีกันมีคนที่กำลังทำบาปล่วงเกิน <c oughs> ทำบาปในสังคมขโมยอย่างนี้การที่จะรักษาปกป้องเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องลงโทษคนที่ทา <c oughs> ทาบาปสาธารณะ ระหว่างผู้ศรัทธาที่จาแนกตัวชัดด้วยคุณลักษณะด้วยคุณสมบัติในสังคมผู้ศรัทธาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ศรัทธาก็จะต้องมีข้อผูกพันกับผู้ปฏิเสธศรัทธามุสลิมถึงจะอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีความสัมพันธ์อาจจะมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นตัวพิสูจน์ว่าผู้ศรัทธานี้ได้ฝักใฝ่และเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนสมมติว่าพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่สังคมมาดีนะสำหรับชาวอันซอร์ชาวมาดีนะที่เขามีพั ก, พกเคยมีพักพวกมีเพื่อนที่เป็นยูที่เป็นกาเฟ่เป็นมุชริก แล้วเวลาเกิดปัญหาใหญ่เห็นนบีสั่งอะไรสักอย่างนั้ได้เกิดสงครามเอาแล้วเราจะเลือกข้างใครอ่ะคนนี้ไม่ไม่ลังเลเลยเลือกฝั่งของท่านนบีฝั่งของผู้ศรัทธาฝักไฝสังคมมุสลิมอันนั้นะคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงแต่มันเกิดปัญหาคนนี้ลังเลมีในมุสลิมในสังคมมาที่เขายังลังเล เห้ยฉันมีพวกรึฉันยังมีเพื่อนฉันยังมีญาติพี่น้องอะไรก็พยายามที่จะทำอะไรบางอย่างที่ไม่เสียหน้ากับกับฝั่งที่เป็นศัตรูของอิสลามอันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องบ่งถึงความเป็นมุนาฟิกอย่างที่เคยผ่านไปแล้วหลายหลายเรื่องนะที่เราเคยอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมดีนาะ ก็คือเป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วแต่มีพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมและเสียชีวิตการตัดข้อผูกพันระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิศสศรัทธาเนี่ยคือต้องต้องตัดข้อผูกพันทุกประการก็หมายถึงว่าฝักไฟแล้วก็เลือกอัลลอฮและราซูลยังเด็ดขาดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อแม่ คือจะอธิบายอธิบายมากกว่าคาว่าพ่อกับแม่นี่มันก็สำหรับคนที่รู้ว่ามีพ่อแม่นะเขาก็ต้องพยายามทำที่สุดที่จะช่วยพ่อแม่ของเขาเขารู้แล้วว่าเขารอดแล้วนะ่ะเาเป็นมุสลิมเาอดแต่พ่อแม่เขา่ยังไงอก็มีมุสลิมที่เขาขอดุอาให้พ่อแม่เรื่องนี้มันยังไม่มีอายะเด็ดขาด ไม่มีตัวบทชี้ขาดฟันธงว่าการขอดุทอศให้ผู้ปฏิเสธทาที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้มันยังไม่มีตัวบทชัดเจ น, อ, นอัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาละจึงประทานอายาหนึ่งร้อสิบสามลงมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะพออายานี้ถูกประทานลงมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ประจักษ์ชัดแล้วในเรื่องนี้เนี่ยไม่คุมเคอแล้วนะ เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีมีเรื่องที่ยังคุมเคืออยู่แม้กระทั่งท่านนบีมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ลุงของท่านเนี่ยอบูตอลิบเสียชีวิตนะเพราะก่อนอบูตอลิบเสียชีวิตอบูตอลิบเสียชีวิตช่วงแรกทิมทที่มะกาเนี่ที่ท่านนบีเผยแผ่ศาสลาที่มะกาเนี่ยปีที่สามประมาณปีที่สามปีที่สามตามปฏิทินเบียซะหมายถึงว่าปีที่สามหลังที่ท่านนบีได้เริ่มเทศนา ยังไม่ได้ไปมาดีนะเราก็ไม่มีฮิจรัตสกัดนะก็ได้กว่าปีที่สามของดาวะ่ะของการที่ท่านนาบีเริ่มดาวะ่ะสามปีสองคนสําคัญในเสียชีวิตในชีวิตของท่านนาบีคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่า น, นาภรรยาของท่านนาบีขอดีจะแล้วก็ลุงของท่านนบีอาบูอบตอเลบ ป, ปีเดียวเลยสฮะบารียกปีนั้นนี่ยปีโซกนาตะกำ ปีที่เศร้าที่สุดสําหรับท่านนบีสองคนสําคัญที่รักนบีมากและปกป้องนบีมากที่สุดคนนึงเป็นมุสลิมแน่นอนคือคอดีจ๊ะภรรยาของท่านนบีท่านนบีไม่เป็นห่วงเท่าไหร่พราะคนระดับคอดีจ๊ะเนี่ยอัลลอฮ์เคยฝากท่านนบีท่านจิบริลเนี่ยมาฝากสลามจิบรีลบอกกับท่านนบีอัครบิบอกคอดีจ๊ะเนี่ยอัลลอฮ์ฝากสลามท่าน นบีก็ไม่เป็นห่วงระดับระดับอัลลอฮ์ฝากสลามนี่ก็ก็คงไ้โซนั่นนะไฮโซแต่ที่น่าเป็นห่วงนี่คือบูตอลิบพอป่วยแล้วใกล้จะตายแล้วนบีวิ่งไปหาอบูตอลิบอย่ากัมมะดีบันทึกดมามุสลิมลุงจอุลกลิมตัอูฮจลกบิฮ อินดุลลอลมจ๊ขอพูดสักคำหนึง่งกําลิ ม, มานิง่งกํลิ ม, มาดีวข้าพเจ้าจะได้เป็นทนายให้ต่อหน้าอัลลอ์แต่ขอให้มีสักอะไรสักอย่างหนึง่งก็คือละอิลาฮอิลลัลลอฮ์กลุมาะะลิมาันบางเรือว่ากลุลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์กัลาอิลาฮ์อิลลัลลอต์ท่านจะได้มีข้ออ้างที่จะเป็นทนายให้ท่านในวันเกีย นั่งอยู่ใกล้อบูตอลิบนี่อบูตอลิบนี่นอนนอนติดเตียงมีสหายของอบูตอลิบซึ่งเป็นหัวโจกของพวกมุชริกีนนี่มากะก็คืออบูยะลอัมรุบนะฮิชามท่านจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษของท่านท่านเอาศาสนาไหนเอาศาสนาของมุฮัมมัดหรือศาสนาของอับดุลมุตตอลิบก็คือพ่อ เรื่องปูญยาตายายเนี่ยมีตั้งแต่ดึกดํบบันตั้งแต่ดึกดํบบันเะฉะนั้นเวลาเห็นบางทีเนี่ยเห็นมีพี่น้องอ่านอ่า น, านตัวบทชัดเจนฮัดดีษชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่เขากำลังทำผิดของปูญยาตายายอ่ยนะอ่านนะเฮ้ยฉนันเอาปูญยาตายายแล้วก็ไม่เอาตัวบทผมไม่แปลกใจอบูต่อลิบเนี่นา บ, บีอยู่ต่อนหน้าเขาไ ม, ไม่ไม่แปลกมากหรอก ขนาดนบีอยู่ต่อหน้าอับูอบูอบตอลิบนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกียดนบีนะก็รักนบีมากปกป้องนบีมากปกป้องถึงขนาดที่เสียสละจะต้องถูกบอยคอรตสามปีชาวมักกะเนี่เวลาเขาบอยคอตนบีเนี่ยบอยคอรตบรรูฮาชิบอยคอตตระกูล น, นบีหมดเลยอบูตอลิบนี่ยอมจะไม่ไม่ทิ้งท่านนบีแล้วก็ยอมถูกบอยคอตกับท่านนบีด้วยอดอยากอยู่ที่อยู่ ท, ที่ตามยอดเขาเนี่ยอบูตอยอดเขาเชี่ยม อาชอบดุลอลิบเนี่ยเป็นเป่นเป็นทินของของชาวบนูฮาชิมเนี่ยสามปีนี่อดยากยอมขนาดนั้นแต่สุดท้ายนี่แค่อบูอบูลเนี่ยสกิดว่าเอาศาสนาของมฮัมหมัดรืศาสนาของอับดุลมุตตลิบมุตลิบนี่าฉันเองย่อฉันเองอบูตอลิบก็เลยบอกว่า بل على دين عبد المطلب كن ي ا ل ي م عبد ا ل م ط ب سين. ن ي ا ي س ه نيه. تابين إ ع ج ا ز ن و َ ب ْ ت ِ ي َ ي مَا كُنْتُمْ أ َ ن ْ ت ُ م َ ن ْ أ َ ن ُْ م ْ أَنْتُمْ م َ ن َ ن ْ ت ُ م ْ أ َ ن ْ ت َ ن ْ أَنْتُمْ مَنْ أ َ ن َْ ن ْ ن ْ ت ُ م َْ ن ْ ت ُ م مَنْ أ ن ْ ت ُ م ْ م ن ْ أ َ ن ْ ت ُ م ن ْ أ َ ن ْ ت ُْ مَنْ أَنْتُمْ مَنْ َ ن ُ م ْ م ن ْ أ َ ن ْ ت ُ م ن ْ أَنْتُمْ َ ได้บอกว่าหลังจากที่อบูตุตอริบยืนยันว่าจะคงรักษายอยู่กับศาสนาของของอับดุลมุตตอิบนี่ท่านน บ, บีก็เลยบอกว่าละอัศจฟีรันลกมาแลมอุนหังกะข้าพเจ้าจะขออุอาขอพระยโทษให้ท่านเว้นแต่ว่าฉันจะถูกห้าเว้นแต่ว่าข้าพเจ้าจะถูกถูกห้ามไม่ขอดูอา อลมามะเนีบอกว่านี่อายะ น, นี้ก็เลยถูกประทานลงมาให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมยกเลิกเอแต่แเรื่อง น, นี้มันเกิดขึ้นที่มักกะใช่เกิดขึ้นที่มักกะแต่ข้อห้ามเนี่ยว่าไม่ขอดูอาให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตัวบทชัดเจนไม่ได้เป็นตัวบทชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านนาบียังถือว่าไม่มีข้อห้ามชัดเจนก็เลยมี โอกาสที่ท่านนาบีขอดูอาให้ลุงท่านนาบีก็ขอจึงมีหะดิซูบทหนึ่งว่าที่มาดีนาเนี่ยพอมันนบีมาอยู่ที่มาดีนาแล้วก็มีสหายที่ขอดูอาให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยก็มีคนไปถามว่าเอขอดุดาให้เขาได้ไงมันได้เนี่ยได้นี่ก็นี่ไหนนบีขอดูอาให้ให้อบูตอลิบลุงของท่านอาย่านี่ก็เลยถูกประทานลงมา เพชี้ขับว่าไม่อนุญาตให้ขอดุทธรณ์ให้อภัยโทษแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเรามาอ่านอายาหนึ่งรอสิบสาแล้วก็มาดูความหมายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอธิบายว่าแฟร์ไหมแฟร์ไหมสาหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยแล้วก็ ไม่สามารถขอด้วยให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแฟร์ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแต่ขณะที่อธิบายเนี่ยสําหรับพี่น้องที่อาจจะมาครั้งแรกนะครับขอ้อความกรุรนแรงถ่ายรูปนะครับงดท่ายรูปถ่ายรูปนี้ได้ก่อนบรรยายแล้วก็หลังจากเสร็จบรรยายหรือจะใช้ท่ายรูป سلايني داي تا يتعروبهم له بعد ع و ذ ب الله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أي س ت غ ف ر و ا للمشركين ولو كانوا ولقربا ي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان ماي بانكون كانبي لبندافوستها ما كان للنبي والذين آمنوا ماي بانكون ماي بانكون ตรง هنيك ماي تموا ไม่ได้ทําไม่ได้อี่มัมอันนาววีจึงรายงานอิจมาเอกฉันอีกเอกฉันอิจมาเลยนะว่าการขอดุอาให้ผู้ปฏิสัต tha ที่ล่วงลับไปแล้วใ ห, AH ให้อัลลอฮฺให้อภัยโทษนั้นเป็นเรื่องบาปฮารอมุนบิลอิจมาเรื่องบาปทั้งนั้งนี่ควาว่าไม่บังควรมาแกา่นะมาแกา่นะ คือแปลเป็นภาษาไทยนี่ไม่บังควรก็ <Go. S 1> แล้วจะทําทละ่ะภาษาไทยอ่ะมันคนละเรื่องกับกับฮกกลภาษาไม่บังควรแล้วจะทาล่ะได้มะยังพอได้ข้าวมาไม่บังควรถ้าไม่ได้ล้างมือก็ไม่บังควรกินข้าวโดวยมือแล้วจะกินละ่ะแต่ไม่บังควรนี่ไม่ใช่ไม่บังควรนี่คือไม่ได้โดยเด็ดขาดทาไมอ่ะเพราะคําว่ามาแก่นะ ถ้าแปลตามสับนี้แหละเป็นไปไม่ได้มาก้าเน่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เออแปลงเงี้ยเป็นไปไม่ได้ออไไไดถ้าแปลแบบตรงไปตรงมาแต่อันนี้แปลตามสำนวนให้มันสวยงามหน่อยนะไม่บังควรอาจจะส่งผลนะให้เข้าใจว่าออไม่บังควรมันมรนะร่่งเระมาร์รุ่งไม่ใช่ฮารอมเด็ดขาดไม่ได้โดยเด็ดขาด อนี่พูดจะได้ไม่ไม่สงสัยในเรื่องนี้นะสําหรับนบีและกัผู้ศรัทธาไอเสตอรฟิรูลิมุชริกีนที่จะขออภัยโทษให้แก่พวกตั้งภากีลิลมุชริกีนพวกที่ตั้งภากีว่าเหล่านั้อุลีกรบะและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามญาติใกล้ชิดกันญาติที่สุดเนี่ยใกล้ชิดที่สุดนี่ก็คือพ่อแม่ และประเด็นส่วนมากนี่ก็เป็นประเด็นขอดุอาให้พ่อแม่มีกี่คนนะ่ะพวกเรานี่แหละญาติพี่น้องที่เสียชีวิตอ่าเช่นลูกพี่ลูกน้องของลูกพี่ลูกน้องของของเราเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตแล้วเราขอดุอิให้ขอด้วยมันน้อยน้อยนอกจากว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทมากกันเออเรา จะนึกถึงเขาเนี่ยว่าเราขอดูอานึกถึงเขาหน่อยแต่ส่วนมากนี่ที่เราจะขอดูอายังสม่ำเสมอให้เขาเนี่ยส่วนมากกันนะก็คือใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราขอดูอาส่วนมากกันนะหรือลูกหลานกนะ็คือคนใกล้ชิดมาก Allah ก็เลยบอกว่าว่าเรากานูอูลีกรบะแม่งเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามเพราะ กรณีที่อายาจะห้ามนี่ก็เกี่ยวกับกรณีคนที่ขอดุทอายพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละมิบ้างีมาจะใบยันละหุมอันนะหุมสาบุญใหญ่ทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วประจักษ์แก่พวกเขาที่เขาขอดุทอาให้คนที่ล่วงรับไปแล้วที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยว่าแน่นอนพวกเหล่านั้นเป็นชาวนรกอันนี้ต้องเข้าใจประเด็นแบบนี้นิดหนึน่ง คำว่าเป็นชาวนรกเนี่ยหมายถึงว่าในความเข้าใจของเราที่เราได้พิสูจน์จากหลักฐานที่เรามีเครื่องมือพอที่จะพิสูจน์ได้นั่นก็คือคนเสียชีวิตสภาพเสียชีวิตของเขาเนี่ยให้เราได้เห็นชัดเจนเลยว่าเขานี่นะตั้งภากีก่อนลรอคนเคารพสักการะวัตถุอื่นจากอัลลอฮสุบฮานวาวาต้า และเสียชีวิตและเรารู้ว่าเขาเขามีความเชื่อแบบนี้ไม่เคยเปลีบบ่ยนแปลงความเชื่อเขาเสียชีวิตแบบนี้หมายถึงว่าเราเห็นเขากราบไหว้สักการะอื่นจากอัลลอฮฺซุฮานะห์ตะทชิริกและเสียชีวิตและเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ว่าเขากล่าวกะลิโมไม่เคยรู้ว่าเขาทิง้งการกราบไหว้สิ่งอื่นจากอลอเราไม่รู้ เราก็จะฟันธงว่าคนคนนี้สามารถฟันธงว่าคนคนนี้เสียชีวิตในสภาพเป็นกาเฟตหรือเป็นมุชริกผลลัพธ์ของมันน่นก็คือเขาเหล่านี้เป็นชาวนรกผลลัพธ์ของของเรื่องนี้นั่นก็เป็นชาวนรกคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ชัดเจนว่าไม่ได้ให้เอกภาพเขาบอกเราสุภานื้อว่าต่างหากเป็นชาวนรกใครว่าเป็นชาวนรกก็หมายถึงว่าไม่ได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน แต่นั่นไม่ได้หมายรวมม่วความเข้าใจของเราการตัดสินของเรานั้นมันเป็นที่สุดของเขานึกออกไหต่อหน้าเรานี่เขาอาจจะเป็นแบบแต่ลึกลับนี่เขาอาจจะเป็นผู้ศรัท ธ, ธาก็ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เอาแล้วก็ที่ฉันเห็นเขากร า, าบนู่นกราบนั่นเขาอาจจะถูกบังคับก็ได้เราไม่รู้เราไม่เราเห็นแค่เห็นน่ะแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ก่อนนู้นเคสแบบเนี้ กรณีแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คคนจะเป็นมุชริกเป็นกาเวตต่อหนะ้าเราแบบชัดๆอย่างเงี้ยแต่ลึกลับของเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ก่อนุูผมคิดเป็ น, ปนอปได้งไงในบ้านเนี่ยมี ม, มีอะไรมีหิ่งอะไรที่เขาเขารบสักการะอื่นจากอ AH. ัลลอ์เวลาเห็นเขาคบหาสมาคมก็มีแต่ คนที่ไม่ใช่มุสลิมกิจกรรมอะไรก็ับแล้วก็ไปงานนู่นเดี๋ยวก็เข้าวัดเด้เ๋ยเขาอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ผมนั่งคิดนี่จะเป็นไปได้จะเป็นไปได้ไงเพื่อนผมเพื่อนผมคนหนึ่งบว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นครูเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์พ่อเขาเป็นครูแล้วเขามีเพื่อนเขาในโรงเรียนเนี่ยเป็นครูหมนันนะ เพื่อนสนิทมากแต่เพื่อนเขาเนี่ยเป็นคริสตและพ่อของเพื่อนผมนี่เป็นมุสลิมแล้วก็สนิทกันมากและเขารู้เขาเป็นคริสนะไม่เคยคือไม่เคยบอกไม่เค ย, มเคยแม้แต่นิดสกิปนิดหนึ่งว่าเขาเป็นมุสลิมหรือไม่ไม่เคยเขา้ขาใจว่าเป็นคริสแต่เขามีอะไรที่แปนะลกเวลาเดือนบวชนี่เขาจะถือสิญจดเขาจะถือสินจด แล้วเวลามีอีดอิดไอ้ดุดลฟตตรี่อ้ดุลอัลทาอนี่เขาก็จะไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นมุสลิมเหมือนนะพ่อของเพื่อนผมเนี่ยไปเยี่ยมที่บ้านจนถึงเวลาที่เพื่อนเขาเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วเนี่ยลูกลูกเขาเนี่ยเขาได้อ่านพินัยกรรมพรินัยกรรมเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนีเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนฉันคนนี้ได้จัดการศพลูกเขาก็เลย เอาพในัยกรรมดีไปให้เพื่อนคนนีกบอกพ่อบอกไว้แล้วเนี่ยให้ช่วยจัดการศพด้วยผมก็ถามเพื่อ น, อนแล้วก็ทําไมเขาต้องปกปิดแล้วเขาบอกว่าที่นู่นนะที่อีบนะที่อีบเนี่ยคนใต้เนี่ยคนใต้ของอีบเนะี่ยเขาเป็นเขาแบบชาติชีวแบบเป็นเผ่าพันนะเป็นเผาแล้วก็มีเผ่าที่เป็นคริสตเนี่ยพวกนี้เขาดุเดือดมาก ใครที่ออกจากศาสนาเนี่ยมีอันดับแบบว่าถูกเก็บก็ได้ถ้าคิดจะออกจากศาสนาเ น, เนี่ยก็คือเก็บอย่างเดียวไม่คุยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยว่าเป็นมุสลิมใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นเป็นมุสลิมเนี่ยเท่าที่ทําได้แอบละหมาดแอบละหมาดแอบถือศินอุดมีไหมในโลก ม, มีแบบนี้ก็มีเยอะ ในประวัติศาสตรนี่ก็มีคนเหล่านี้เนี่ยบางทีก็เสียชีวิตในสายตาของคนส่วนมากนะก็น่าจเป็นกาเฟสไงเอาแล้วก็วันเกียม่าจะเป็นยังไงวันเกียร์มาพวกนี้เนี่ยก็จะถูกฟื้นฟูในฐานะที่เป็นมุสลิมแน่นอนถ้าหากว่าเขาได้พยายามรักษาความเป็นมุสลิมของเขาแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่สิ่งที่ผิดและการศาสนาแต่บางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องทําต้องทําเช่นยกตัวอย่างบ้านเรานี่สําหรับ คนที่จะรับอิสลามแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวเขาไม่ให้รับและถ้าเขาประกาศว่าเขารับอิสลามเนี่ยก็จะมีปัญหาใหญ่ในชีวิตอาจจะถูกไล่จากออกจากบ้านอาจจะชคือชีวิตจะลำบากมากแต่ลำบากถึงขนาดที่อาจจะเป็นฟิดหน้าที่ทำให้เขาไม่สามารถยืนหยัดในอิสลามได้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ต้องอยู่แบบลำบากไงไม่บอกพ่อแม่ ไม่บอกใครในครอบครัวแต่บททดสอบนียจะละหมาดยังไงอ่ะก็ต้องแอบละหมาไม่กินหมูแต่เวลาเขาให้กินหมูเวลาคือครั้งหนึ่งอ่อขึ้นไส้ไม่อยากกินก็พอผ่านไปเอาเดี๋ยวนี้ไม่ไม่อยากไม่อยากกินเนื้อมันผ่านไปแต่ถ้าทุกครั้งอ่ะไม่กินหมูเนะ่ยมันมันชักจะ ชักจะไม่ใช่แล้วไงอ่าก็อาจจะมีเลยก็เคยผมเคยถูกถามว่าทาได้ไหมกินหมูได้ไหมอันนี้เนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยคนดีฟะตวาวนี่ก็ลําบากใจเนาะแต่เราต้องให้คนที่ต้องการฟัตวาเนี่ยให้เขาเนี่ยรับผิดชอบเราจะให้คําตอบเลิเอาไปเลยสบายใจได้เพราะเราถูกบังคับนี่ ไม่ได้คนนี้ไม่ไผาตันี้ไม่ได้บาะว่าถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราจะลำบากมากความลำบากของเราเนี่ยมากกว่าบาปของการกินหมูนะถ้าความลำบากที่เกิดจากการที่เปิดเผยอิสลามเนี่ยมันจะลำบากมากกว่าความลำบากของบาปการกินหมูนี่นะกินไปนี่เขาต้องสำรวจตัวเองเขาต้องชันด้วยตัวเองเรื่องนี้นี่ต้องบอกพ่ออะไรเพราะ ถึงจุดที่เราไม่รู้แล้วว่าเขาเสียชีวิตเป็นมุสลิมไม่รู้หุกมนี้เนี่ยมันก็ยังคงหุกมที่ไม่อนิย่าได้ขอดูอาให้คนที่เสียชีวิตที่ไม่อยู่มุสลิมเนี่ยขอดูอาให้อัลลอฮ์ให้อะไรตัวเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมในเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตลึกๆของเขาเนี่ยเป็นมุสลิมไม่รู้เราถ้ามีแครเอา้าขอดูอาให้เขาได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้ามีหลักฐานละ่ะว่าลึกๆเนี่ยเขาเป็นมุสลิมได้ ถ้ามีหลักฐานมีพี่น้องที่รับอิสลามแล้วแล้วก็มีพ่อหรือแม่จะไม่ได้ไอายุมากอายุแปดสิบแปดสิบเกื0บเก้าสิบแล้วก็ก็พยายามที่ดาว่าจนเขานอนติดเตียงเขาก็พยายามที่จะดาว่าเขาอย่างต่อเนื่องจนก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็คุยเขาอยู่ในสภาพที่แบบว่าพูดพูดพูดเ่งวาจาไม่ได้นะ แต่พอที่จะขยับศีรษะได้กินไม่อกินอากินอะไรเงี้ยก็แสแดงว่าเขาเขาฟังรู้เรื่องเขาก็เลยถามก่อนเสียชีวิตเนี่ยรับอิสลามไหมออิสลรมนะอิละฮิลลอรนะอย่างี้ถามเขาก็ยักหน้าว่าใช่แต่ลูกเขานเนี่ยเนี่ยจากว่าพ่อหรือแม่เขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปล่งออกม า, า, าอิละอิละฮลลอร เขาก็สงสัยก็แบบนี้เขาจะขอด้วยพ่อแม่ได้ไหมผมบอกว่าได้เราเอาสิ่งที่เป็นหลักฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาศรัทธาไหมเวลาถามเขาจะกินหรือไม่กินเนี่เขาตอบว่ากินแล้วก็ให้กินนะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอกินแล้วก็ยักหน้าพอให้กินก็ไม่กินอสดบว่าเขาไม่รู้เรื่องอสิบว่าเขาไม่เข้าใจแต่นี่เขาเข้าใจ เวลาถามเขาเข้าใจอะไรใช่อะไรไม่ใช่เวลาถามว่าเป็นอิสลามนะเป็นมุสลิมนะมุสลิมละอิลลาฮิลลอละนะขาก็ยักนาเกนาแล้วก็เสียเสียชีวิตนะขอดุดหนุได้ถ้าเรารู้ว่าเออลึกๆของเขานี่มีความเป็นไม่ได้สูงก็จะเป็นมุสลิมเนี่ยขออุดหนุได้แต่กรณีถ้านี่ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามิมบ้าดีมากแต่บเย็นนะหลังจากเป็นที่ประจักษ์ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วอะ แน่นอนพวกเขานั้นเป็นชาวรุกมันเกิดเหตุการณ์หลังจากอะนีถูกประทานลงมาก็สาบ้าไปเห็นมีคนหนึ่งขอยังขอดุอาให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ห้ามบอกว่าขออุอาได้ไงเนี่ยอห้ามแล้วนะคนที่ขออุอาก็เลยบอกว่าเอา้าก็ท่านนาบีบรหิมก็ขออุอาให้บิดาของท่าน หลังจากที่ได้เสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีในประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีได้เล่าว่าท่านนาบนอีอิบราฮิมมีขออุดมให้บิดาของท่านอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายานี้ลงมาเพือ่อชี้แจงเหตุการณ์ของท่านนาบีอิบรอฮิมว่ามาการอัลตักฟารุอิบราฮิมลีอบีฮิอิลลาอัมม์วัยเดตว่าเดฮาียาห์ ألم ะทบียน له أنه عدو للله تبرأ منه إن إبراهيم لا أ و ا ح حليم และการขออภัยโทษของอิบรอฮีมให้แก่บิดาของท่านมิได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาที่ท่านที่ท่านอับดุลบราฮิมได้ให้ไว้แก่บิดาของท่านอันนี้ก็ใช้เขาเขาตลอดนะผมเปลี่ยนเป็นท่านแล้วกันนะแก่บิดาของท่านเท่านั้น แต่ล้มไม่จะเย์เลห์แต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านแล้วอันนั้นหัวอุดลิลและทบมิหูประจักษ์แล้วกับท่านนบีบรอฮิมว่าแท้จริงบิดาของท่านเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เขาก็ปลีกตัวออกจากบิดาของท่านอินนอิบรอฮีมละอ้วนฮาลิมแท้จริงอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้อ่อนโยนและเป็นผู้ มีขันติธรรมเรื่องราวของท่านนบีบรหีมมีสองรายงานรายงานหนึ่งบอกว่าบิดาของท่านนบีบรหีมบอกกับนบีบรหีมบอกว่าเออนะเดี๋ยวอีกหน่อย่างเดียวฉันจะเลยๆเดี๋ยวฉันจะกอลิมอเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็จะเวดนี้เดี๋ยวฉันจะไม่ไม่ยุ่งเลยเออเอาเอาลนะ้วขอพอเสียชีวิตแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เลิกท่านนบีอิบรหิม ก็เลยถือว่าที่บิดาของท่านเนี่ยสัญญาไว้ว่าจะทิ้งเนี่ยมันเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ท่นนานอบดุิบร์ฮีมขอดูอาให้ท่านหลังจากเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นสภานามนี้เนี่ยอิลลัอัมม่าวะอิดะินเป็นสัญญาที่ท่านได้ให้ไว้อุลามาบางท่านตีความว่าเป็นสัญญาที่ท่านอับ บิดาของท่านนบีอิ บ, บราฮิมสัญญาไว้ว่าจะไม่บูชาเจวิตและท่านนบีอิ บ, บราฮิมก็ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ท่านจะขอด้วยให้บิดาอีกแรงงานหนึ่งที่อัลลอฮฺได้ตีความนี่บอกว่าไม่ใช่คือท่านนบีอิ บ, บราฮิมเองสัญญาว่าถ้าท่านไม่บูชาเจวิตเนี่ยเดีท่านจะขอด้วยให้เดีวท่านจะขอด้วยให้ แล้วท่านนาบีอิบราฮิมเข้าใจว่าบิดาของท่านเนี่ยไม่ได้ทำรูปเจเวิตแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเสียชีวิตในสภาพที่สามารถขอดุทอาให้ได้แต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเปล่าไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดทชิริกบางอย่างเนี่ยแต่เขาก็ยังยังเป็นมุสริกยังเป็นผู้ที่ตั้งพากีไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ให้อกภาพเดออัลลอฮ์เป็นศัตรูของอัลลอ์ พอประจักษ์แล้วสําหรับท่านบบานบีอิบราฮิมท่านนบีอิบราฮิมก็เลยเลิกถ้าระดับท่านนบีอิบราฮิมที่อาจลังเลในการงดการขอดุทธอณ์จนกว่าจะมีอายะห์ถูกประทานลงมานี่ก็แสดงว่าถ้าคนสามัญชนเนี่ยขาดข้อมูลในเรื่องนี้แล้วก็พลาดไปขอดุทธอณ์ให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วและไม่ได้เป็นมุสลิมก็คง ไม่เป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะจะเขาไม่รู้หุกกมนี่นะทางด้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นอิจมาเป็นเอกสารยิ่งกว่านั้นถ้าขอดูอาให้คนที่เลื่องลับไปแล้วที่เขาเข้าใจว่าเป็นยังเข้าใจว่าเป็นมุสลิมแต่ที่จริงไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะอย่างในอายานี่เงื่อนไขต้องประจักษ์อิบรอฮิมเนี่ยต้องประจักษ์ประจักษ์กับเขาแล้วนี่ว่าบิดาเป็นศัตรูท่านน่ะบิบรอฮิมจึงงด ما جد النبي إبراهيم عندنا ما قد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي خادوآ تنبي م ح م يخادوآ تعالى نحديث ب ن د من مسلم استأذنت ربي أن أستغفر ي خبر جاء خواة اذن يات جاك الله ايه دعاء خواة احياء تود ايه م ن د ا ه من فلم يأذلي اللهم اذن ฟัสต้ดันตุห์อันอัจหระฮ์ในกับริฮ์เขาเปเจ้าจึงขอนาตไปเยี่ยมกุโบของท่านของมันดาของคุณแม่ของท่านนบีฟรอาดีน่ลีในบางสำนวนของอะดีสนี่เนี่ยรายงานโดยท่านยามัมดีท่านนบีก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมกุโบของบรรดาของท่านนี่นะท่านนบีก็ร้องไห้ โดยที่ซอฮาบะที่รายงานเหตุการณ์เน่ัจจุบันท่านน บ, บีร้องไห้อ ย, ยังไม่เคยร้องไห้มาก่อนร้องไห้ถึงขณะที่ซอฮาบะที่คือท่านน บ, บีขออนยิยารไปเยี่ยมกูโบของมารดาของท่านเนี่ยท่านอามีนาเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝังที่มักกาณ์นะถูกฝังใกล้มิดีนาะเพราะท่านก่อนเสียชีวิตเนี่ยเดินทางเดินทางมาจะไปกลับไปมักกาณ์เนี่ยแต่ไปเสียชีวิตใกล้มิดีนาะ ก็มีกลุ่มสาวบ้านนั่งอยู่กับท่านนบีท่านนบีก็ขอตัวไปเยี่ยมกุ่มโบของท่านนายบีสาบ้านนี่ก็รออยู่แต่พอเห็นนาบีเนี่ยช้าไปเนี่ยก็เลยไปพอเห็นไปเห็นท่านนาบีนี่ร้องไห้การที่ท่านนาบีร้องไห้ยังหนักเลยเนี่ยทําไม่สาบ้านที่ไปเห็นเนี่ก็ร้องไห้ด้วยพอท่านนาบีพอท่านนาบีรู้สึกตัวก็สาบ้านของท่านนี่สาวกของท่านนี่ร้องไห้อยู่เพราะก็ร้องไห้ทําไม เาก็เห็นท่านร้องไห้เราก็ร้องไห้แบบไม่เคยเห็นว่าท่านนาบีร้องไห้ท่านนาบีก็เลยบอกข้าพเจ้าขออนุญาตที่จะขอดุอาให้อย่าละอาภัยอทษดพระองค์ไม่อนุญาตในบันทึกของอิมา ม, มุสลิมเช่นเดียวกันท่านนาบีกำลังปราศัยขุดบายอยู่แล้วบอกกับสหายบอกกับคนที่มานั่งฟังท่านนาบีที่กาลังปราศัยอยู่คุนบาอยู่ซลูนี่ จะถามอะไรก็ถามมาเลยก็มีคนคนหนึ่งถามไอ้นาบีพ่อชั้นเนี่ยอยู่ไหนพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมพ่อชั้นอยู่ไหนคำว่าคำนี้เนะี่ยอยู่ไหนในกระหม่อมที่ว่าอยู่สวรรค์หรืออยู่นรกซึ่งไม่มีใครที่สามารถตอบเรื่องนี้ได้นอกจากคนนี้มีมมีวะฮีอย่จาก a l l ท่านนาบีบอกว่าบิดาของท่านในอยู่ในนรกแรงแรงแรงแรงท่านนาบีก็เลยยกตัวอย่างตอบใจเขาอกว่าก่อนที่จะบอกว่าบิดาของเขาอยู่ไหนเนี่ยท่านได้บอกถึงบิดาของท่านเองก่อนอบีวาอาบูกะฟินนารบิดาของฉันและบิดาของท่านนะก็อยู่ในนรกเหมือน ที่นองลองนึกมหาเมตตาของมนุษยชาติท่านนบีเนี่ยนบีถึงขณะที่เห็นกาเฟตไม่รับอิสลามนี่ร้องไห้แล้วจะภาษาอะไรกับพ่อแม่เขาอ่ะท่านนบีเสียใจว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ทันพ่อแม่ที่จะให้เขารับอิสลามนบีเสียใจขนาดนะั้นอุลมามะจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ เรื่องนี้อัลุซุนนาวัลจามานีไม่มีทัศน์ที่เป็นเอกฉันเอกทัศน์ขาดชีขาดมีอยู่สองทัศนะเท่านั้นอื่นจากนั้นน่ะไม่มีทัศนะของอัลุซุนนาวัลจะมาสรุปแล้วทั้งหมดนี้มีอยู่สามทัศนะเอาทัศนะที่ไม่ใช่ของอัลุซุนนะก่อนที่จริงเนี่ยคนที่กล่าวในทัศนะนี้เนี่ยที่ไม่ใช่อัลุซุนจะมีในบางส่วนของอัลุซุนนาวัลจามาน ท่านศานนี้บอกว่าอัลลอฮ์ฟื้นฟูชีวิตบิดาและมันดาของท่านนบีให้ตื่นมาแล้วก็กล่ า, าวกะลิมอห la il allah, ์ับอิสลามลาอิละอิละอ์แล้วก็ตายใหม่ซึ่งฮะดีสรายงานที่พูดถึงเรื่องนี้เนะี่ยเป็นหะดีสมาวดุโดยเอกชนโดยเอกชนอิหม่ามกุรตุบีที่อธิบายความหมายกุรอ่านนี้นะทนคร้น้ำหนักกับทนส น, นนี้นะเออ แต่นอิมามครัวอันอุสะหอาเหมือนกันแต่จะมีอุลมามะคุมด้นเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่ท่านนบีนตกนรกนบีที่ทำไหมผู้ศรัทธาทั่วโลกนี่ได้เข้าสวรรค์พ่อแม่นบีนี่จะตกนรกเป็นไปได้ไงพอเจออะไรสักอย่างห น, นึ่งอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงมันถาว่าลลอล l l a h ฟื้นฟูชีวิตพ่อแม่นบีไอรับอิสลาม แล้วมันก็เป็นไปได้เป็นในเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นไปได้มาอัมดีกะซีรบอกว่าในพระเดชานุภาพองอัลลอฮ์นี่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอะนะมันก็เป็นไปได้มันก็มันก็ไม่แปลกแล้วก็ยอมรับได้เพราะเราทําได้ทุกอย่างแต่สายแรงงานมันมันรับไม่ได้แค่นั้นมันจบแค่นั้นถ้าเรื่องนี้มันจริงนะมันเกิดขึ้นจริงมีสายแรงงานจริงนะศาสนาของเรานี่ขึ้นอยู่กับอิสนาตอยู่กับสายแรงงานถ้าจริงแล้วก็จบ ับได้แต่ถ้าไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถฟนงดงเพราะมันมีหะดิษอื่นที่มันพูดถึงเรื่องนี้อบีวอับูกะฟินนารพ่อชั้นแล้วก็พ่อแกนอยู่ในโลกฉันขออนุ ญ, ญาตจากอัลลอพย่โทษขอดัวเพอให้ให้มารดาของชันอัลลอไม่ให้ไม่อนุญาตทศนะที่สองนี้ได้บอกว่าใช่นบีได้ตัดสินตามภายนอกภายนอกของ พ่อแม่นบีเนี่ยก็เสียชีวิตไม่ได้รับอิสลามไม่ได้กลับอปเลยแล้วแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่นบีเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะเจอนบีก่อนที่นบีจะเทศนาก่อนที่นบีจะเทศน า, าแล้วทำไมคนที่ยังไม่เจอนบีเทศนาเนี่ยยังไม่เจอนบีเทศนาเนี่ยและยังไม่ได้รับรู้ คำที่เสนาของนบีที่ Allah ส่งมาเนี่อเลามาเขารียกว่าพวกนี้อัลลุลฟัตระฟัตระไปว่าช่วงว่างช่วงว่างเกียรว่างระหว่างนบีอีซาระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดนี่ช่วงนั้นน่ะคุณเอกอัลลุลฟัตระอัลลุลฟัตระใครที่เสียชีวิตในช่วงนั้นน่ะถ้าภายนอกของเขาเนี่ยเป็นกาเฟิรก็ถือว่าเป็นกาเฟิร แต่ถ้าลึกๆของเขานี่นะลึกๆของเขาเนี่ยเขาไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่างที่เขาสืบทอดกันมาทากันมาแล้วเขาไม่ไม่พอใจอุลมามะได้บอกว่าในเมื่อเขายังไม่ได้รับคำเทศนาจากนบีเนี่ยก็สิ่งที่เขาได้เห็นแล้วก็ทำกันดามนะั้นไม่ถือว่าบาปเพราะเขาไม่รู้หลักฐานในสุรตะลิสระว่ามาคุณ น, น์มูฮัตดีบีเนะ ฮัตแต่นบอกาเราละแล้วเราจะไม่ลงโทษคนหนึ่งคนใดจนกว่าจะต้องมีเราซูลจากเราหนีไปยังเขาเรื่องนี้ทุกยุคทุกสมัยนะ น, นะก็จะมีอัลลอฮฺตัดก็คือคนนี่ไม่ได้รับรู้คำที่สนาของดั บ, บีคนอยู่ในป่าทั้งชีวิตไม่รู้เรื่องอิสลามคริสต์ยิวไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ในป่านี่ตลอดชีวิตเกิดแล้วก็ตายแบบนั้น ทางตั้งที่ชีวิตเขาเนี่ยก็อาจจะไหว้ผีบูชานูน่นในป่าเนี่ยบูชาผีบูชานูน่นเรียกว่าอัลลอฮฟัตระพวกอัลลอฮฟัตระนีมีอายะนี้ที่รองรับรองรับฮุคมของเขานี่ว่าอัลลอฮฺจะไม่ลงโทษเขาถ้าเขาไม่ได้รับคําที่สนาของรัสูลและมีห a ดี่บันทุกมาฮะกิมนี่บอกว่าอัลลอฮฟัตระนีคนที่ไม่ได้รับคําที่สนาในวันเกียร์ม่านอัลลอฮฺจะฟืน้นคืนชีพเขาและจะทดสอบเขา ทดสอบเขาให้มีกองไฟนรกอยู่กองหนึ่งแล้วก็มีสวนสวรรค์อยู่แห่งหนึ่งแล้วก็สั่งให้พวกเขานี่ยได้เข้ากองไฟนรกถ้าเขาเข้ากองไฟนรกนีนะอ่าก็จะถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่เชื่อเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เข้าสวรรค์แต่ถ้าเขาไม่ยอมต่อหน้าตูหันนี่ต่อหน้าอัลลอฮ์นี่ไม่ยอมฟังอัลลอฮ์แล้วก็ไม่เข้ากองไฟแล้วก็อยากจะเข้านรกนี่อันนี้แสดงว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา ก็จะถูกทดสอบอันนี้จะได้แฟร์ใช่ไหมเราเราเนี่ยมีขนาดไม่ได้เป็นนบีนะเราเราเนี่ยถ้าเรามีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมากเพื่อนสนิทมากที่ไม่ใช่มุสลิมและเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งเราได้รับการปลอบใจจากท่านนาบีแล้วตัวท่านนาบีเองก็ยืนยันในหลักการ และการศาสนาไม่มีเส้นสายอโมาพ่อท่านนาบีนบีก็จะมีแค่เฉพาะท่านนาบีอิบราฮิมก็พ่อแม่ก็จะแค่เฉพาะนี่ไหมเหมือนกันหมดเลยทัศนะาที่สามนี่ที่ผมบอกกับพี่น้องมีสองสามทัศ น, นะน่าทัศนธาที่ผมบอกว่าฟื้นฟูพ่อแม่นบีให้รับอิสลามแล้วก็ตายทัศนะที่สองวะเขาเป็นอะฮลุนฟัตรอ่ช่วงว่างที่ไม่เอาโทษ ไม่เอาโทษจนกว่าจะถูกฟื้นฟูวันเก่ยมากถูกทดสอบอีกทีหนึง่งทัศนาที่สามนี่ที่โวลมาได้บอกว่าเขาเสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ปฏิเสธาัจริงอันนี้ยิ่งถ้าเป็นทัศนานี้เนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ปลอบใจเราอะเออเราไม่ได้ไม่ได้เป็นเคสโดดเดี่ยวในโลกนี้มีอย่างขนาดนบีนี่ก็เจอแบบนี้เราก็ต้องไปศึกษาดู่าขนาด ท่านนาบีไม่ได้รับข้อยกเว้นจากอัลลอฮ์เนี่ยให้พ่อแม่เขาเนี่ยถูกยกเว้นให้เข้าสวรรค์พ้นจากนรกแต่นบีไม่ได้เสียกำลังใจในการที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์สวาบมีพักต่ออัลลอฮ์ในการทำงา น, นรับใช้อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى ฉะนั้นเราอย่าคิดแม่แต่น้อยนะครับในความยุติธรรมอัลลอฮ์ سبحانه วันก่อนมีพี่น้องโทรมาทางผมว่าเออลลรู้ไหมว่าเราเกิดมาจะเป็นชาวสวรรค์เป็นชาวนรกคำถามคาถามเดิมๆเหมนะือนนลล่ะรู้ไหมว่าเราจะเกิดมาวันเกียรมากจะเข้าสวรรค์จะเข้านรกเออรู้เอลแล้วเออรู้ว่าเราเนี่ยเปจะเป็นชาวนรกทําไมอัลละฮ์สร้างเราขึ้นมาครึ่งชั่วโมงน่ยก็อธิบายอธิบายไปอธิบา ย, บา ย, บายมาอน่ยเรื่างนี้เราก็คุยเรื่องนี้เยอะแล้วนะ ผงไม่ต้องอธิบายนะเรียนตัฟซีร์ปาดนี้แล้วเนี่ยก็ข้อสงสัยนี้ผมถามว่าแล้วตกลงอะไรที่ทำให้สงสัยเรื่องนี้เพราะมีเพื่อนต่างศาสนิาสนิทกับเพื่อนต่างสาติแล้วก็เขาเป็นคนดีมากเป็นคนดีมากเลยแล ะ, และเสียชีวิตเขารู้สึกว่าไม่แฟร์ เขาพูดอย่างนั้นเลยนะไม่แฟร์ทำไมเขาเขาว่าเป็นชาวนาลุกแล้วทำไมเราสร้างเขามาตั้งแต่แรกเอาอย่างนี้สมมติว่าตัวเองนี่นะเป็นคุณพ่อแล้วก็มีลูกมีลูกอยู่สองสามคนลูกนี่นะเป็นคนดีมากเลยทำอะไรที่เป็นความดีแล้วทำหมดเลยนะครับแต่เขามีเรื่องเดียวเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นพ่อ พอ่พอพอะไรพ่อพ่อพ่อพูดกับเราแบบนี้แต่เขาทำความดีทุกอย่างนะพ่อพ่อใครพ่อใครเนี่ยไม่ยอมรับว่าเราเป็นพ่อเราจะรู้สึกยางไรเราจะเห็นใจพระเจ้าของเราไหมถ้าพระเจ้าบอกว่าทำความดีแต่เขาแล้วยังฝืนอายุชะกรรมีนอกจากเรื่องที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าไม่ยอมรับในเอกภาพของอัลลอฮ์เนี่ย เลาสร้างมากับมือสร้างมาทุกสร้างมาทุกอย่างในให้เราเนี่ยแล้วอยู่ดีดีอืมเราไหนที่ไหนเรามีจริงเหรอนี่ลองคิดดูดิเราสร้างบ้านให้เขาอย่างดีทําทุกอย่างให้เขาอย่างดีเฮ้ยนี่ของฉันทั้งหมดแกไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่ต้องมายุ่งนี่นี่คือสภาพของผู้เนรคุณผู้ปฏิเสธพระเจ้ารู้สึกยังไง อิในอบรอฮิมละอาวะอุนฮาลิมถ้าจริงอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้อ่อนโยนอาวะาอาุนลมาได้บอกว่าอาวะนี่มีสิบห้าความหมายเยอะมากนะครับในนังสือตับเสียนี่แต่โดยรวมเนี่ยอาวะเนี่ยในความหมายในภาษาอ р а เนี่ยคือผู้ที่มีความนอบน้อมหัวใจของเขานี่อ่อนโยน หัวใจปราณีหัวใจเปราะบางอะไรเล็กน้อยเนี่ยก็จะก็จะถ่อมตนไม่ไม่ไม่จะเป็นหัวใจแข็งกระด้างนี่คำว่าอาววาหัวใจชนิดนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นหัวใจที่จะเย็นๆยนรอบครอบฮาลิมมีความขันติใครที่เจอเหมือนท่านนบีบรหิมเนี่ยคงทนไม่ได้พ่อคนแรกแหละ เป็นคนที่สร้างเจวิตโตเถียงกับพ่อแค่ไหนนี่พ่อก็ไม่เอาสุดท้ายเนี่ยคนในเมืองในชุมชนของเขาเนี่ยกษัตริย์ของเขานี่ยในชุมชนของเขาก่อนก็โตเถียงเรื่องเจวิตไม่เอาในเมืองนี่กษัตริย์รู้เลยนะเรียกมามาโตเถียงกับนํารูษเนี่ยโตโตเถียงเนี่ยจนสั่งประหารเผาเผาเป็นเลยแต่อยู่ไม่ได้นะนบีบรมก็เลยอพยพ อยพยพไปไปอยู่ที่อียิปต์กับภรรยาของท่านซาอรอมีเพียงสองคนที่เป็นผู้ศรัทธาและมีหลานเขาคนหนึ่งลูกของน้องสาวก็คือนบีลุตที่อพยพกับท่านอพยพนบีลุตก็ไปอยู่สดุมและท่านนาบีบรอฮิมไปอียิปต์ไปอียิปต์เนี่ยจะได้ไปดาวักฟาโรนตอนนั้นฟาโรก็ไม่เอาก็เกือบจะฆ่าท่านนาบีบรอฮิม แตานบีบรอยมได้แสดงอภินิหารทาให้ฟาโรนี่กลัวแล้วก็ยกทาสีท่านฮาจัดให้ท่านนบีบรอยม์ท่า น, นบีบรอยมก็เลยเอาภรรยาของท่านสาร้อนนี่แล้วก็ทาสีนี่ฮาจัดนี่ไปเมืองชามในโลกตอนนั้นน่ะก็มีผูดด้ศรัทธาอยู่สี่คนนั่นแหละท่านนบีอิบรอฮิมสาร้อนฮาจัดแล้วก็ลูต ในอายาหนึ่งในกนคุรานี่อื่นจากภรรยาของท่านนบีเราไม่มีใครศรัทธานะนอกจากลูตฟาอ์มานะละฮูลูตมีญาติเขามีคนเดียวนะ่ยนะก็คือท่านนบีลูตแล้วท่านนบีอิบรอฮิมก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับท่านนบีลูตว่าภรรยาของนบีลูตเนี่ยก็ไม่เอาด้วยทําไม่อัลลอฮ์ต้องลงโทษเมืองสะดูมทั้งหมดและภรรยาของท่านนบีลูต ด้วยท่านนบีลุตก็ต้องอพยพออกจากสะดุมในตัราเนในในในคัมภีร์ตัราเนเขาก็นบีลุตเนี่ยมีลูกสาวสองคนที่อพยพแต่ในกุตอ่านในหะดีสเนี่ยไม่มีไม่ยืนยันเรื่องนี้และในตัราเนก็มีเรื่องไม่ดีที่เล่าเกี่ยวกับท่านนบีลูดกับท่านนบีกับภรรยากับลูกสาวของเขาสองสองคนแต่ในกุตอ่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าชะตากรรมของลูกสาวเขาเป็นยังไง แต่ครอบครัวของเขาบอกว่าครอบครัวเขายกเว้นในคุฎอ่านที่บอกครอบครัวเขายกเว้นในรอดยกเว้นภรรยาแต่ก็แสดงว่าก็มีคนที่ไปกับเขาแต่ใครแน่ๆในใครก็ในกุฎอ่านไม่ได้บอกแต่ในเตรารอดนี่บอกว่าเป็นลูกสาวสองคนพออยู่ที่เมืองชามท่านน บ, บีบรูฮีมก็แต่งงานกับท่านหญิงฮะจุลแต่แต่ท่านหญิงซารอนี่ภรรยาของท่านนี่ไม่พอใจถ้าเกิด ความหึงยิ่งท่านหญิงซาร์อยู่กับท่านอาบีบรอีมเป็น ส, สิบสิบปีไม่มีลูกจนอายุชารานี่แก่กันทั้งคู่แล้วไม่มีลูกแต่พอแต่นี้แต่งงานกับท่านหญิงฮาจาร์นี่มีลูกท่านนาบีอิสมาห์ก็ยิ่งทําให้ท่านหญิงซาร์นี่ไม่พอใจท่านนาบีบรอีมจะได้ไม่ไม่เกิดปัญหาก็เลยพาท่านฮาจาร์และกัลูกชายอิสมาห์นี่ยไปมักกะ ตอนนั้นยังไม่มีมะกาะน่ะตอนก็เป็นทุ่งโล่งเลยไม่มีอะไรทะเลทรายชีวิตของท่านนบีบรหีมได้แต่บัญชาจากอัลลอฮ์นี่ให้ทำเพราะการที่เอาท่านอิม่าจัแลก็นบีสไม้นี้ไปอยู่ที่มักกะนี่ก็เป็นบัญชาเพราะอิม่าจนี่ถามท่านนบีบรหิมนะันผ้ข่าวเรียมุสลิมเนี่ยเอาเมียลูกนี่มาทิ้งในทะเลทรายนี่ขอถามคาถามเดียวอัลลอ์หัมรกบิฮะอัลล์สั่งใช่นบีบรหิมก็ใช่ ท่านนี้ค่ะช่วยูอีเะลี้ยอด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอลลอฮฺจะไม่ทิ้งเราอย่างนันหรไม่ทิ้งเราอย่างนนไนมีอิบรอฮิมไหนมีโวยวยวโอ้ฉันจะทิ้งลูกทิ้งเมียลูกคนแรกเลยนะลูกได้คนแรกเลยนะจะทิ้งเมียทิ้งลูกได้งไงโอ้ฉันไม่ได้เอา ว, ว่าหุนฮาลิมมีความขันติธรรมและอ่อนโยนมันก็ต้องเกิดคําถามว่าแล้วก็ ขนาดพ่อแม่บรรดานับีขณะนี้นะอัลลอฮฺทำไมปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้หรือคนอื่นด้วยอาจจะเป็นญาติเพื่อนฝูงเนี่งสมัยซาบ้านี่ก็มีคนที่เป็นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทญาติพี่น้องของซอาบ้านี่แต่เสียชีวิตไม่ได้รับบิษณลุงของท่านอนับดีเนี่ยเป็นตัวอย่างทำไมทาไมอัลลอฮฺให้เขาหลงไปอย่างนี้ล่ะจึงมีคําตอบเสดจีนว่าใครจะหลง ใครจะรอดใครจะรับฮิดายะได้รับทางนำหรือจะไม่รับเนี่ยอัลลอสุบฮานวตาลไม่บกพร่องไม่บกพร่องในการให้ทางนำกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเหล่านั้นนะไม่ได้รับคำชี้นำคำชี้แนะเกี่ยวกับสดจธรรมไม่รับรู้เลยเรื่องศา ส, สนาคำเทศนาของนบีกระซูนอลค์ลก็จะไม่เอาโทษตามอายะ ที่ได้บอกกับพ้องข้างต้นแต่อายานี้หนึ่อนี่อัลล์ก็จะยืนยันที่อัลล์ سبحانه และ تعالى ได้ชี้นําห d a ا a h ความถูกต้องให้แก่ทุกคนแล้วว่ามากันอัลลลุดิลกมบาดอิฮะฮม ح ت ى يبين لهم ما ي ت ق و ن إن الله بكل شيء عليم แล้อัลลอฮฺนั้นจะไม่ส่งให้กลุ่มชนใดหลงผิด หลังจากที่พระองค์ได้ทรงชี้ทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาแล้วฮัตตานอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะยำเกรงเท่านั้นแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอาะนี้อาจจะเข้าใจงง ง, งนิดหนึ่งนะครับมาอธิบายให้ ให้พวกเราได้หายความงงนิดหนึน่งว่ามา่อนอัลลอฮูเลียดิลละโคัลลอจะไม่ทำให้ใครเนี่ยหลงบาดาอิดฮะดาฮุมคำว่าหลงตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าหลงขาดหลงจนเสียชีวิตแล้วก็เป็นชาวนรกบาดาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงชี้ทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา บางได้อิจชี้ทางที่ถูกต้องฮาดา h ุมหมายถึงว่าระบผิดอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครหลงหลังจากที่เขาให้ทางนำเอาไหมมาการอัลลอฮ์ฮุลีอุดลกมันอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครหลงหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ชี้ทางที่ถูกต้องออาแล้วก็้าชี้ทางที่ถูกต้องเนี่ยเขาหลงยังไงไม่ใช่อย่างนั้น หลงในหน้านะแรกเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ใคร่หลงนี่หมายถึงว่าหลงจนเสียชีวิตแล้วก็เป็นชาวนรกหลงจริงโดยที่เขาไม่ได้รับการชี้แจงฮิดายะตรงนี้เนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้เขาได้หายหลงรับทางนำแล้วก็เป็นมุสลิมไม่ฮะดายุมตรงนี้นี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้ให้เขาเห็นทางเห็นและทางนำเห็นแล้วทางนำ ไม่ใช่ว่าเขาไปอยู่ในทางนำจริงๆมันมีอัยยะหนึ่งอธิบายเรื่องนี้ว่าอัมมาเซมูดุฟาฮาดีนาหุมสำหรับชาวสมุดรสมุทรในกลุ่มชนของน บ, บีซอลล้งฟาฮาดีนาห์ ม, มเราให้ทางนำกับเขาฟัสตาฮบุลละมาอัลลัลฮูดะเขาขเลือกที่จะเป็นคนใจบอดหรือตาบอดดีกว่าจะเป็นคนที่รับทางนำ อ้าวคอัลลอฮ์บอกว่าฟะฮได้นาหุมเราได้ให้ฮิดายะกับเขาอุลามาได้บอกว่าฮิดายะนี่มันมีสองประเภทฮิดายะทูดิลาเลตินนูเออร์ชานฮิดายะแห่งการชี้ทางนิ่งทางฮิดายะอยู่นี้นะเห็นยังสัจธรรมอยู่นี่เห็นยังอันนี้อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์อัมนวยให้มนุษย์ทุกคนได้มี มนุษย์คนใดที่ไม่ได้รับคำชี้ชี้ทางอ่ะนะมนุษย์คนนั้นก็ถือว่าเป็นอาุลฟตรอเห็นหกอยังนี่ความความยุติธรรมฮิดายะหมายถึงว่าไปอยู่ในทางนำจริงอันนี้ก็ไตฮิดายะตูเต่าฟียกอันนี้อลลอบรรดาลใจให้เขาเนี่ยได้เห็นทางนำแล้วและเต่าฟียกช่วยเหลือให้เขาได้รับทางนำไปด้วยนี่ สองหนะิ d a y a นั่นห i d a ตุ dile i n w e r s h a ก็คือหด a y a แห่งการชี้ทางชี้ทางนาสองห تو, ิดายตุ t a u i q ห i d a แห่งการช่วยเหลือให้รับทางนาอันนี้เนี่ยที่ اي, อัลลอฮ์บอกว่าบ้าไดอิดฮาดะฮุมภายหลัง ان, ที่อัลลอฮ์ได้ให้ส่งชี้ทางที่ถูกต้องอันนี้ชี้อย่างเดียวนะแต่เขาไม่ได้รับ พราะน้าว่าเขาจะรับทางนําอ่ะด้วยฮิดายะเตฟิกเนี่ยเขาจะอยู่ในทางนําเนี่ยเขาจะไม่หลงสิแต่เนี่อามาบอกว่าเขาหลงแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ้าก็อัลลอฮ์ทำให้เขาหลงไม่ใช่หรอไม่ดีเราต้องอ่านอายะทั้งหมดดิที่อัลลอฮ์ให้เขาหลงแต่อัลลอฮ์ได้ยืนยันว่าก็ชีชี้ทางที่ถูกต้อง การที่อัลลอฮ์บอกว่าชี้ทางอยู่ต้องนี้แสดงว่าอัลลอฮ์ให้เขามีสติมีเครื่องมือเพียงพอที่จะเลือกและก็ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เป็นข้อบังคับจากอัลลอฮ์ใครหลงไม่ได้รับการบังคับจากอัลลอฮ์ให้หลงเขามีเครื่องมือเขามีสติปัญญาสามารถที่จะเลือกทางที่ถูกต้องด้วยตัวเองฮัตตายู่ใบีนะและฮุมมาตะกุนนี่แหละที่เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาละ่ะนอกจากที่เป็นที่ประจักษ แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะย่หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะให้ประจักษ์สำหรับเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เขาย่มเกรงอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาอยากย่ำเกรงอัลลอฮ์แต่ไม่สามารถย่มเกรงอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษอิมามอุบัยมิยานีอ้างอายานี้เนีหรับทุกเรื่องที่ไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนว่าฮารอมว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นฮารอมถ้าไม่มีตัวบทชัดเจนแล้ว ว่าเรื่องนั้นมันเป็นห้รอมและมีคนไปทําสิ่งเหล่านั้นนะ่ะอิหม่าอิบิดายะบอกว่ามันก็ถือว่าไม่ห้รอมสําหรับเขาโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องของดุนยาเนี่ยนะเรื่องเยอะนะที่อัลลอฮฺประทานลงมาซึ่งตัวบทที่จะห้ามเกี่ยวกับเรื่องโลกดุนยาเนี่ยห้ามห้ามทํานู่นห้ามทานี่ห้า ม, า ม, า ม, ามกินนูน่นเรื่องนี้ห้ามกินเรื่องนี้และก็เรื่องอื่นที่อัลลอฮฺไม่ได้ห้ามนะ สแสดงว่ามันทำได้เดี๋ยวโดยมีอนิมอ้างอ้างอายานี้เนี่ยในบางเรื่องเกี่ยวกับ อ, อ, อาหารและสัตว์ที่ไม่มีตัวบทหลักฐานว่ากินได้หรือกินไม่ได้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้นี่เรื่องที่ทเถียงกันมากชอบกินกันเหลือเกินจระเข้ลูกชิ้นจระเข้กินได้ไหมอย่าว่าลูกชิ้นเลยกินได้ไหม กระเค้นนี่มันมีเขี้ยวและนบีบอกว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวนี่ห้ามกินแต่นบีหมายถึงว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวที่เป็นสัตว์บกแต่จะเป็นสัตว์น้ําฉลามมันมีเขี้ยวไหมนี่กินได้ไหมฉลามปลาฉลามมันกินได้ไหมกินได้ปลาส่ว น, นมากนี่มีเขี้ยวปลาส่วนมา ก, ก น, นะปลาทูก็มีเขี้ยวเล็กๆแต่สัตว์น้ํานี่กินได้หมดเลยมีเขี้ยวมักินได้หมดเลย ตกลงจระเข่เป็นสัตว์บกหรือเป็นสัตว์น้ำอุลลามะที่บอกว่าเป็นสัตว์น้ำเขาก็บอกว่ากินได้เป็นสัตว์น้ำอุลลามะที่บอกว่าเป็นสัตว์บกกินไม่ได้เพราะมีเขี้ยวแล้วอุลมามะที่บอกว่าเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำล่ะอ๋อมันจริงไหมล่ะว่าเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำมัศพานาวีเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะไม่ชัดเจน แต่มาสพนาวีเนี่ยเขามีบางชนิดเนี่ยสัตว like ์ครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ําเนี่ยที่เขาไม่กินเนี่ยไม่ใช่พอมีเขี้ยวหรือไม่มีเขี้ยวนี่อย่างอย่างปูอ่านาวีเขาไม่กินกันนะปูกุ้งไม่กินนะเขาอาณาวีเขาไม่กินนะนู่นนนักเรียนที่ไปเรียนปากีไปเรียนอินเดียกันน่นนะมุสลิมฮานาวีที่อินเดียเขาไม่กินกันน่ะ บกกุ้งนี่ล้นเลยอะอะคนไทยน uf, เนี่ย ช, ออะะชาวพีเนี่ยชอบมากนะชาวีฮันารีเนี่ยเขาไม่ไดว่านี่อ้นีไน่ไอ้นี้ครึ่งครึ่งบกครึ่งมีคนเข้าใจว่าอ๋อห้ามกินเพราะครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ําเนี่ยไม่ใช่มัศพานารีห้ามนี่เพราะมันไม่มีวิธีเชือ้อแล้วมันไม่มีเลือดก็ไม่รู้อะ สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเชื่อหรือวิธีทําให้ตายนี่ยังไงก็เออจริงด้วยอย่างปลาเนี่ยพอมีเลือดอย่างปลาเนี่พอจะจะทุบหัวหรือจะเอาออกจากน้ํานี่มันก็ตายแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยกุ้งนี่กว่าจะตายปูนี่ปูนี่กว่าจะตายนะไม่รู้ตายป่ะอืมแล้วจะตายยังไงอ่ะทุบหัวหรือทิ่หมหัวหรือทิ่ ม, มตรงไหนตอนี้เขาบอกว่าทิ้มที่ที่ที่หัวใช่ไหม แต่อุลามะเขาบอกว่าการให้สิ้นชีวิตเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าอย่างไงเพราะปกติแล้วสัตว์เนี่ยเชื่อแต่นี่จะเชื่อยังไงเชื่อไม่ได้เนื่องด้วยความคุมเครือแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ไม่อนุญาตให้กินอันนี้เป็นเรื่องแถมนะเลกนิดหนึ่งนะครับสุรทานีแต่ใอน่หะบอกาอนอ่านอ่าอ่านอ่านอ่านอ่านานานอ่าอานนาอานอ เดชานุภาพของล l l a h สุภานาวุตาล้ที่จะตัดสินตัดสินให้ใครเป็นไหนใครตายเช่นใครจะศรัทธาไม่ศรัทธานี่เป็นกรรมสิทธิ์ของล l l a h สุภานาวุตาแท้จริง Allah นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตายชีวิตความตายนี่อยู่ที่ Allah สุภานาวุตาฮีดายะก็อยู่ที่ Allah สุภานเช่นเดียวกัน ว <ير> ่าลุ่ณไม่ดูนอัลลอฮ์มิวัลีว่าาไม่ซร์แลนอกจากอัลลอ์แล้วก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกท่านให้ทุกคนได้ตระหนักอยากได้อะไรดีๆเนี่ยต้องพึ่งพาอัลลอ์อยากได้ฮ i d a y a อยากได้มีชีวิตที่ดีอยากได้รอดทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเราต้องพึ่งพาอัลลอฮ์ س ب ح มุตารอำนาจแบบนี้เนี่ย แต่ผู้ศรัทธาได้ตรหนักดีนะความเป็นมุนาฟิกนี่มันจะไม่เกิดขึ้นส่วนมากนี่บาปที่เราทากุฟอรที่บางทีเราทำชิริกที่เราทาความเป็นมุนาฟิกที่เราเกิดจากการที่เราพึ่งพาบารมีอื่นจากอเสลสวาโนนมุนาฟิกในม ด, ดีนะเขาอาศัยหรือเขาเชื่อในอำนาจของกาเฟรหรือสหายของเขาที่เขาที่เาจะช่วยเหลือ แตาสำหรับผู้ศรัทธานีอัลลอฮฺ سبحانه และก็คือที่สุดแล้วเนี่ยที่สุดแล้วมีอะไรมากกว่าที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่ให้เป็นให้ตายอยู่ที่อัลลอฮ์เราจะไปหวังอะไรกับมนุษย์นะกลัวอะไรกันมนุษย์นี่จะกลัวทําไมความตายและชีวิตของเรานี่ก็อยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์จะให้มีชีวิตจะไม่ให้มีชีวิตชีวิตเดียวนะชีวิตเดียวนะไม่มีหลายชีวิตเดียวนะอยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه แะก็อัลลอฮ์เท่านั้น แต่จะให้อิมานมั่นคงนี่เนี่ยผูกพันกับเราสุภานพยายามหนักแน่นในความเชื่ออํานาจของเราสุภาเนวนาลาอะไรในชั้นฟ้าและแผ่นดินในชันฟ้าเป็นดินทั้งหมดเลยเนี่ยนี่นักดาราศาสตร์เยอะนะครับที่เขายิ่งเรียนรู้เนี่ยเขาก็ยิ่งเชื่อในพระเจ้าแต่ก่อนนู้นจะมีนักดาราศาสตร์เยอะนะครับที่เริ่มชีวิตในศึกษาเรื่องดาราศาสตร์โดยที่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหนึ่งในนั้นก็ไอน์สไตน์ ตอนแรกนี้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่พอเขาเรียนเรียนคณิตศาสตร์เรียนดราราศาสตร์นี่เขาเขาก็เขาเป็นยิวนะเออและเป็นยิวไซออนิสม์เดนนะคือเป็นยิวที่เชื่อว่าต้องหาแผ่นดินให้ยิวเนี่ยไปอยู่และเขามีบทบาทในเรื่องนี้เรื่องที่ให้ อ, อพุพยมให้ แต่สุดท้ายนี these people, these people to, to, to ้เขาเขาเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ในศรัทธาในศาสนาในเต็มรูปแบบแต่เขาบอกว่าฉันเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยต้องมีต้องมีผู้ออกแบบโลกนี้เนี่ยจะสบายสบานี่ไม่ได้เขาศึกษาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้โลกนี้ต้องมีผู้ออกแบบพวกไซยันนิสีส่วนมากก็เป็นอย่างนี้แหละครับเขาเชื่อว่ายูเนี่ยเป็นประชาชาติ ที่อัลลอฮ์ส่งเลือกแต่เขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์ซายนิสเนี่ยก็อย่างนี้นะเชื่อว่าชาติเชื้อชาติยิวเนี่ยเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ส่งเลือกชาอุลลอิลมุกตอร์แต่เขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์ส่วนมากเนี่ยซายูนิสเป็นผู้ปฏิเสธศาสนาทั้งหมดเลยอนี้รวมถึงรวมถึงซายนิสที่อยู่ที่อิสราเอลตอนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ได้เป็นคนเค่งศาสนาส่วนมากนะซายนิสเนี่ยไม่ได้เป็นคนเค่งศาสนาไม่ค่อยเชื่อ เรื่องศาสนาในมุสลิมก็มีอะไรแบบนี้อะไรคล้ายๆเรื่องนี้เชื่อว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่จะมาพูดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องอัลลอฮ์นี่ ก, ก, ก, ก, ก็ว่ากันไป <laughs> ว่ากันไปไม่ได้ลึกไม่ได้ศรัทธาแบบเต็มที่มีในมุสลิมแบบนี้ก็มีตัวเองก็เป็นมุสลิมไม่เอ้ยเป็นมุสลิมดิมุสลิม แล้วก็เรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องกุโบเรื่องลงโทษในกุโบนั่นก็ว่าไป เ, เขาว่ากันเนี่ยแล้วก็อาทิตย์หน้านี่ก็ยังสอนนะอังคารหน้านี่ก็ยังสอนนะอังคารถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหลังอีดพอดีอันตรชริกพอดีเ น, นี่ยก็งดน่าจะเป็นอังคารที่สิบเจ็ดปะ่ะ ประมาณนั้นนะหนึ่งงดนะแต่คันหน้ายังมีนะครับครับากเพียงแค่นี้นะครับอัลลออัลบีนมุฮัมมัดสัลลอัอบัลลัมมีคำถามไหมเขายังไม่ตกลงคำตอบผมที่จะทํามีอะไรให้กินเยอะนะในโลกใบนี้เนี่ยเยอะมากเลยอะ กินไก่กินกระตา่ายกินปลากินแพะกินแกะกินอูดกินอูเยอะแยะเลยฮะเดรเกตเด็กครับจะถาเกี่ยวกับเรื่องดอกเนี้ยอไรครับแหมไปที่เราเพื่อนเนี่ยมาตัางหน้านะครับแล้วก็เวลายืมเงินอย่างเงี้ยก็ยืมเองินอะไรแล้วก็เราจะให้คืนบีที่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเอาไปยืมเงินเพื่อนเราแล้วเพื่อนให้มาสมมติให้มาพันหนึ่งนะฮะ แล้วเวลาเราเอาคืนเพื่อนเราเนี่ยแล้วเราเอากาเ ร, า เ, ราาาเราไม่ได้บอกเพื่อนเรานะทงางกาค้าเรามีไรแล้วอย่างเให้เพื่อนเราับสองาบาทเพื่อนไม่ได้เรียกนะไ ม, ไ, กไม่ได้เป็นจารีดในในสังคมในวงเพื่อนเพื่อนเนี่ยว่าเออยืมยืมก็ให้ใ ห, ให้ให้ให้มีน้ําใจหน่อยนะอย่าไม่สยืมไปพันเนี่ยไม่มีจารีดนะไม่อ่าก็ได้แถม แถ็บได้แถมได้แต่ต้องไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขโ ด, โดยโดยนิตินหรือโดยลายละอักษรหรือโดยวาจาถ้ามีถ้ามีเงื่อนไขโดยวาจาหรือโดยละอักษรหรือโดยนิตินินตินนี่หมายถึงเป็นที่รู้กันยืมพันหนึ่งมคืนพันหนึ่งโดนด่านะถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขแบบนี้นะได้เลย ยืมไปพันหนึ่งคืนพันย้าเงี้ยได้ถึงจะไม่ถึงจะไม่ได้ไปลงทุนเราอยากจะตอบแทนเขาที่เขาช่วยแต่เขาไม่ได้เรียกร้องนี่ก็ได้นะครับอลมาเขายกเว้นไวตอนนี้ น, นคะครับเป็นเป็นสิ่งของเช่น <c oughs> ว่าผมมีไข่เป็ดอยู่สักหกฟองเพิ่งเหรอแต่ผมไม่กินแะ้วมเอินพอเพื่อนบ้านที่มีไก่ไก่ได้ขายืมเข้ามาห้าฟองอเอื้อนมีแค่ห้าฟอง แวลาผมจะเอาผมไปให้ผมให้ออกฟอร์มลูกไม่กิกันก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ถ้ามีเงื่อนไขเนี่ยแม้กระทั่งไขเนี่ยไม่ใช่เงินนะถ้าถ้ายืมม้าหนึแล้วก็แล้วก็บอกว่ายืมมห้านี่คืนหกหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ดอกเบี้ยแต่ถ้าไม่มีคําเรียกร้องอะนะก็ได้ได้ครับมีคาถามอื่นไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็ s ุ b h าน a k ลอ l a h u m m a f i h a m d i k a s h a d u l สักรู้ก็ว่าดูไปเ